เราอ่านประวัติถึงคนที่ทําปาณาติบาตใครที่เป็นนักทําปาณาติบาตมากๆากเลยนะอย่างแม้กระทั่งยุคนี้เขายกยนะ่องเนยที่บางท่านเล่าใช่ไหมโอ้นักฆ่ามือนหนึ่งของโลกเนี่ยได้รับการยกย่องเลยใช่ไหมแล้วก็พวกธรรมทินนาทานมากๆถามว่าคนยกย่องไหมกายกย่องนะในบางกลุ่มะนะคนที่ที่ได้ประโยชน์ร่วมกันเขาจะยกย่องกันมากเพราะฉะนั้นคนที่ทําบาปได้มากๆเป็นที่ ยกย่อ ง, งแล้วอาชีพที่ค่อนข้างฐานะดีที่สุดเนี่ยอาชีพค้าน้าเมาะนะอาชีพค้าเกี่ยวกับการค่าเกี่ยวกับเนี่ยอาชีพใดก็ตามขอให้มันผิดกรรมบทสิทธินะอาชีพนั้นโดยมากจะรวยเร็วะนะค้าอาวุธคอะไรทั้งหลายนะคือขอให้มันเป็นอะไรก็ได้ที่มันเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับทําปาณาติบาตกลื่อกูลต่ออาทินนาทานง่ายต่อผิดการมเมมุสาได้เร็วขึ้นดื่มสุราเมามอมเมาตลอดเป็นมิจฉาทิฏฐินะ กลุ่มเราเนี่ยค่อนข้างมากไปด้วยปัจจัยสี่เราอยู่ระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็กันดารปัจจัยสี่เกือบจะถาวร น, นะเนี่ยเพราะว่าทําบาปให้กับตัวเองบานเลยนะยังนึก็บาปเหล่านั้นมันให้ผลเขาจะไปอยู่ที่ไหนเนาะเห็นไหมก็เพื่สิ่งเหล่านี้ที่ท่านแสดงไว้ไม่ใช่ไม่มีอยู่มีอยู่นะซึ่งถ้าเราทั้งหลายเนี่ยนะถ้าลองได้ไปทําบาปเยอะๆนะ ผู้ที่ทําบาปมากเช่นฆ่าสัตว์ไว้เยอะทำอัินนาทานไว้มากผิดกามเมไว้เยอะมุสาวาดมากเป็นนักดื่มน้าเมาตัวฉักาเชื่อไหมตามด้วยอะไรง่ายมิจฉาทิฏฐิจะตามมาเพราะคนเหล่านี้ไม่อยากจะยอมรับว่าบุญบาปมันมีผลเพราะว่าถ้ายอมรับว่าบุญบาปมีจริงเขาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องอยู่อาบายจะตามด้วยมิจฉาทิฏฐิอย่างยิ่งใหญ่ชนิดที่เรียกว่าปฏิเสธเลย ไม่ยอมพี่เรียกว่าปิดตาปิดหูเพื่อที่จะรับแสงแห่งพระธรรมเนี่ยนะในที่สุดก็เรียกว่าเหมือนกับปอกปิดตัวเองให้มันมืดมันบอดถาวรความน่ารังเกียจของรูปประคันทั้งหลายให้รู้เถอะว่านั่นเป็นผลของความน่ารังเกียจของวิญญาณนักขันเมื่อวิญญาณนักขันนะรุดวิญญาณขันขันน่ารังเกียจมันยังไม่ให้มีผลขณะนั้นเลยแต่สะสมมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดจะน่ารังเกียจแม้คนเห็นอัพวิ่งนี้เลย เพราะฉะนั้นก็มันน่าเกรงน่ากลัวขนาดนั้นถ้าเรายังไม่พ้นนะถ้ายังไม่ทําปริญญาในอุปาทานขันท่าให้รู้เถอะว่าเราจะต้องเวียนกลับมาเป็นเช่นนั้นอีกนะจะต้องนั่นจะต้องรีบหนีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ท่านวัฏจักรทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนวังน้ําวนก็ไม่ผิดจะเหมือนทรายดูดก็ไม่ผิดต้องรีบขึ้นให้เร็วที่สุดก่อนที่มันจะดูดถึงถึงที่สุดนะ เพราะว่าเวลาที่จะขึ้นหรือบันไดที่พระพุทธเจ้าทอดไว้ให้เราเนี่ยมันมีอยู่ชั่วคราวถ้ากลับมาใหม่นะก็หลายๆท่านก็ถามว่าอยากกลับมาเกิดอีกบอกว่าเกิดแล้วไปอยู่ที่ไหนเอ่ไปเรียนอะไรหนอคิดหรือว่าเขาจะส่งมาโรงเรียนทยุตนะนะพ่อแม่มีฐานะหน่อยนะส่งไปโรงเรียนไหนดีก็โรงเรียนนั่นแหะโรงเรียนที่ไม่ไหว้พระนัน่นแหละก็ไปกลุ่มนั้นน่ะนะก็ไปซ่องเสบอ น, นั้นของเรามันเพาะเชื่อค่อนข้างไม่ยากนะ เพราะอะไรก็ขึ้นใช่ไหมก็คิดดูเขายั่วก็โกรธอ่ะได้รับอารมณ์ที่ดีก็ชอบได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีก็พร้อมที่จะชังแล้วก็ลุ่มหลงไม่ทำปริญญากับทุกเรื่องเนี่ยเพราะมันอะไรบ้างเราเป็นไม่ได้อมันก็พร้อมที่จะเป็นได้บาปอะไรล่ะอย่างที่คนไม่ทำนะบางคนไม่ทำบาปบางอย่างเพราะไม่ได้ปัจจัยไม่ใช่เขาไม่มีไม่อยากทำไม่ใช่อะไรแต่ว่าเขาไม่ได้ปัจจัยพร้อมที่จะทาบาปนั้นเพราะฉะนั้นถ้าได้ปัจจัย ราคาจะไม่เกิดเลยเชีวหรือโทสะจะไม่เกิดหรือโมหะจะไม่เกิดหรือเมื่อราคาโทสะโมหะเกิดแล้วเนี่ยทิฐิจะไม่เกิดหรือมานะจะไม่เกิดหรือแล้วถ้ามันเกิดแล้วมันอยู่แค่ในใจหรือไม่ล่วงมาทางวจีวินยัตกายวินยัตวจีวินยัตรหรือถ้ามีบุญเก่ามีผลหน่อยพูดแล้วคนจะไม่เชื่อหรือมันก็เป็นศาสดาที่สอนมิจฉาทิฐิดีๆนี่แหละ เพราะฉะนั้นเราก็พร้อมที่จะเป็นอาชิตะเกษะคำพลเป็นนิครณหน้าตบุตรเป็นอะไรสักอย่างก็ได้พร้อมที่จะไปเป็นพาคนทําบาปอากุศลใดๆก็ได้ถ้าเรายังไม่เห็นภัยในขันห้านะเทนี้วิชาที่จะสอนให้เห็นภัยในขันห้ามีมีอยู่คันทีเดียวคือพระไตรปิดกเนี่ยนะคืออย่างทางการแพทย์พูดถึงโรคใช่ไหมพูดโรคตาโรคอะไรแล้วก็พร้อมพูดทั้งเหตุทั้งปัจจัยแต่การพูดเหล่านั้นเป็นไปเพื่อการรักษา เป็นวิชาที่โดยมากเป็นไปเพื่อการรักษาใช่ไหมไม่ได้พูดเราบอกว่าเธอทั้งหลายขันนะรูปทั้งหมดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายนะจงรีบละฉันทราคาซะหมอในหมอมีสอนอยังไงไหมบอกเออนี่ขันมันเลวร้ายขนาดนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะรีบละซะตัดฉันทราคาในขันเสียเถิดไม่ ม, ม, มีมีแต่ในคําสอนในพระไตรปิฎกนี่ย น, นะพูดถึงโรคเสร็จแล้วต่อด้วยการตัดฉันทราคาในขันเสียเถิดเนี่ย เมื่อไม่ทําปริญญาเนี่ยนะก็จะไปไปคาดหวังในขันห้าตลอดก็มีนายแพทย์ท่านหนึ่งนะมีคนไข้ารายหนึ่งไปปรึกษาอายุเก้าสิบกว่านะว่าเนี่ยทําไมมันปวดโน่นทําไมมันปวดนี่ทําไมมันปวดโน่นอ่ะนะหมอช่วยหน่อยอะไรเงี้ยนะหมอ ก, ก็ก็พูดก็ก็คุยนอกวงบอกว่าอย่างนี้มีแต่ล้อมใหม่อย่างเดียวว่างั้นนั่นะนะนั่นะนะก็เป็นหลอมใหม่ว่างั้นนะคือมันระครังนะถ้าเป็นระครังมันร้าวไปเกือบหมดแลว้วอ่ะ ไม่รู้จะไปประสานตรงไหนอ่ะนี่นนะขันห้าเหล่านี้ก็เหมือนกันนะเนะก็เหมือนกับอย่างที่ฝรั่งหลายคนเขาคิดมา น, นี่นะเขาเขาอายุแปดเก้าสิบแล้วเขาก็หวังว่าปีพศเอ่อปีคริสตศักราชสองพันยี่สิบสามนวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าชุบคนตายให้ฟื้นขึ้นได้พราะมานึกนะสมมติถ้าพวกที่ถูกฝังฝังทั้งหลายเนี่ยฟื้นขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นั น, นโอ้โหโลกงแต่จะวุ่นวายมากเลยนะ ผิวหนังก็ถลอกออกเปิดไปหมดกระดูกก็หลุดไปบ้างหมาก็คาบไปบ้างอะไรไปบ้างอะนะถ้าฟื้นขึ้นมาแล้วมันจะขนาดไหนแต่ว่ามันไม่เป็นไปได้หรอกนนะรอเนี่ยนะเดี๋นี้ทําให้เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ทําปริญญาไม่รีบขวนขวายศึกษาเนี่ยนะติดข้องแม้กระทั่งในในสิ่งที่มันเลวร้ายขนาดนั้นก็ยังยังรักยังหวงยังติดข้องนอะเนะ่ก็อันเนี้ยเป็นโทษภัยของวาตตาเพราะการฟังธรรมะที่เป็นไปเพื่อ รำยาตะปริญญาตีระปริญญาถึงตหานะปริญญาในอุปาทานขันห้าจึงเรียกว่าสวานานุตรยะอย่างแท้จริงเนีนะเป็นการฟังที่ยิ่งใหญ่เป็นไปเพื่อปลดปล่อยเป็นไปเพื่อหลุดพ้นจากอุปาทานขันห้าโดยประการทั้งปวงทีงนี้มาดูลาพานุตรยะนะก็ลาพานุตริยะเป็นอย่างไรดูความี่สุจบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมได้บุตรบั้งได้พริยาบ้างได้ทรัพย์บ้าง ได้ลาบมากบ้างน้อยบ้างหรือได้สัทธานในสมณพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดบ้างดูความพิสูจนทั้งหลายลาบคือการได้นี้มีอยู่เราไม่ได้กล่าวว่าไม่มีดูความพิสูจนทั้งหลายก็แต่ว่าลาบคือการได้อันเนี้เป็นลาบเลวนี่ยเป็นของปุตุชนเป็นของชาวบ้านไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ว่าโดยสรุปก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อวิปัสสนามัผลนิพพานอะไร ดูความพิสูจทั้งหลายส่วนบุคคลใดแลเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใส ย, ยิ่งย่อมได้ศรัทธาในพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตศรัทธาในพระตถาคตนะศรัทธาว่าพระองค์เป็นพระอระหันอันนันก็ลองไล่พุทธคุณดูนะตั้งแต่อรหังสัมมาสัมพุทธธเราเลื่อมใส ย, ยังไงอันาั้นเรียกว่าเลื่อมใสในพระตถาคต หรือสาวกของพระธาคตสุปฏิปันโนอูชุยายาสามีจิอันนะคู่แห่งบุรุษสีคู่นับเรียงบุรุษได้แปดบุรุษเป็นต้นท่านเหล่านั้นเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานุทัศน์มีหิริโอตปาเป็นต้นเราเรื่อมใสยอย่างนั้นไหมถ้าเราเรื่อมใสยอย่างนั้นแต่เรียกว่าเป็นการได้นะลาพานุตริยะเป็นการได้อย่างแท้จริง ดูความพิสูจทั้งหลายลาบคือการได้นี่แลเป็นลาบอันประเสริฐกว่าลาบทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโซกัปริเทวะเพื่อดับแห่งทุกข์และโทมนัตเพื่อบรรลุญาตธรรมเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งดูความพิสูจนทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใส ย, ยิ่งย่อมได้ศรัทธาในพระตถาคต หรือสาวกของพระตถ า, าคตนี้เราเรียกว่าลาภานุตริยะนั่นนะก็พูดถึงลากคือการได้บุตรเนี่ยนะยังนึกถึงโยมคนหนึ่งเขาเล่านะเขาบอกว่าเขามีลูกน้อยคนหนึ่งสักเล็กลูกเขาได้สักเจ็ดวันได้นะคลอดได้เจ็ดวันแต่พ่อก็ต้องค้าขายเขาบอกว่าตอนนี้นะผมขับรถไม่ต้องโดไม่ต้องอะไรเลยคิดถึงแต่ลูกมันมีแรงขับรถหมดเลยไม่หลับไม่นอนก็อยู่ได้แบบนั้นดีใจมากขนาดนั้นนะ ไม่รู้ว่าดีใจได้กี่วันไม่รู้เดี๋ยวเหอะมันโตมากก็จะทุกข์ใครคนนั้นอีกั่แหละนะมันไปติดยาบ้างมันไม่ยอมกลับบ้านบ้างไว้ยโอยโยมคนหนึ่งเข้ามาปรึกษาว่าเออท่านท่านโยมจะทํายังไงดีเนี่ยมีลูกคนหนึ่งเวลาไปเรียนหนังสือมันก็กลับสามทุ่มสี่ทุ่มไม่ยอมถึงบ้านสักทีหนึ่งนะแม่ก็ทุกข์ขนาดรอลูกกว่าจะกลับมาถึงบ้านนะกลับมาถึงบ้านทีค่อยโลง่งอกสักทีหนึ่งเนี่ยนะไอตอนแรกมีความสุขมากเลยนะที่ได้ลูกนะตอนหลังนึกถึงเมื่อไหร่มันจะได้กลับบ้านเนะี่ ก็ทุกทุกครั้งอ่ะนะที่คิดถึงลูกแทนที่จะโสมนัสนะกลับโทรมนัสนึกทีไรก็โทรมนัสที่จริงลูกอ่ะนะตอนแรกนี่ก็โสมนัสมากที่ได้ใช่ไหมตอนหลังอ่ะโทรมานัสทุกครั้งที่นึกถึงอย่างไงก็เนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละท่านการได้นั้นจึงไม่ได้ประเสริฐอย่างแท้จริงเนี่ยนะการได้อันนั้นก็นําความเดือดร้อนลําบากใจมาให้ทั้งมากมายมีบางท่านก็ถามว่าเออดีอยังไงถ้าได้แล้วเหงื อ, องนกันนะก็ไปตอบเอากันแล้วกัน ต้มายังลึกนะโอ้โหถ้าใครมีลูกชายแบบน้ำมานแต่จะหนักใจโคเลยนะต้องไม่เห็นตอนที่พูดตอนนี้ต้องไปเห็นตอนอื่นแล้วจะลําบากใจนะยังไงเคยถามพระรูปหนึ่งนะถ้าท่านศึกไปมีลูกนะเอาไหมท่านจะได้ลูกชายแบบท่านนะคือได้ลูกชายแนละ้วเท่าท่านเลยเดินตามรอยท่านเป๊ะหมดเลยนะเอาไหมบอกไม่เอาตัวเองยังไม่อยากไล่เลยคิดดูมจะขนาดไหน นั้นการได้เนี่ยเราเคยดีใจมาว่าโอ้โหเป็นราบของเราเนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้นับถือพระพุทธเจ้าบางศาสนาอื่นก็เหมือนกันสาวกของเขาเขาบอกว่าเขาดีใจมากที่เขาได้เกิดมานับถือศาสดาของเขาเนาะของเราทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธเนี่ยที่นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุธเป็นศาสด <|hi|> สาของเราเนี่ยเราเคยดีใจไหมว่าเราได้ราบอันประเสริฐแล้วหนอที่ได้นับถือพระองค์เนี่ยนะนะ ถ้าคนที่รู้คุณของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยถ้าศึกษาคุณของพระพุทธเจ้าถ้ารู้ความปฏิบัติดีของพระสงค์เนี่ยจะรู้ว่าตัวเองได้ลาบจริงๆที่ได้นับถือพระพุทธเจ้าถามว่าลาบอันนั้นคืออะไรข้อแรกก่อนนะหยาบๆเลยไม่ได้ไปทำบาปอีกไม่รู้กี่เรื่องต่อตีเรื่องถามว่าถ้าเราไม่ศึกษาพระธรรมเลยนะทำเรายังทำปานาติบาต์อยู่ไหมในตอนนี้ไม่แน่ใช่ไม อาจจะบอกว่าปลาตายเรากินไม่ได้ซื้อแต่ปลาสดมากินอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะเช่นเป็นต้นอ่ะนะเพราะฉะนั้นบาปอากุศลอีกบานเลยที่ที่เรายังไม่ได้ทําก็จะทําขึ้นอกุศลกรรมที่เราทําไปแล้วก็ไม่เคยคิดว่ามันมีโทษด้วยก็ไม่คิดจะเป็นไปเพื่อละบุญทั้งหลายที่ควรเจริญเราก็ไม่ได้เจริญทานที่ควรให้ก็ไม่ได้ทําการทำพุทธบูชาเป็นต้นที่มีประโยชน์ต่อชีวิตก็ไม่ได้ควรทําการฟังธรรมการศึกษาธรรมการตรึกพระธรรม อ่ะ น, นะการสมาทานศีลการสมาทานอุโบสถการเจริญสมาถิวิปัสนาเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งกุศลเหล่านี้ที่เป็นอุปนิสัยตอ่อมักผลในพรานที่ควรทําเราก็จะไม่ทําเพราะอะไรเพราะนั่นเราไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเรานับถือพระพุทธเจ้าอย่างที่เห็นสัพพะปาปะสะ ก, การนางเราจะลดบาปไปบานเนี่ยนะบาปตั้งหลายเรื่องนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะโอ้คาพูดเนี่ยสัมมาวาจามีไหมหายากกันที สัมมากมมันตะและกุศลเนี่ยนะกุศลและวิตกเนี่ยมีไหมทิฏฐิเราเป็นอย่างไรอัน น, นเราจะเห็นเลยว่าบุญที่เกิดจากการได้นับถือพระพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมของพระองค์เนี่ยนะตัดบาปส่วนนั้นออกไป น, น, นแล้วบุญที่ยังไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นอ น, น, นบุญตั้งห ล, หลายเรื่องก็ได้เจริญบุญนั้นๆบุญนั้นนั้นก็มีกำลังขึ้นเรารู้อยู่แล้วว่าบุญเหล่านี้ให้ผลเป็นความสึกนึกแล้วก็ปลื้มใจ บาปทั้งหลายที่เราเคยทําไปถึงรู้ว่ามันเป็นบาปเราก็ดีใจแล้วที่ได้พ้นบาปเหล่านั้นสักทีหนึ่งก็บางคนเนี่ยอยู่กับบาปก็จมอยู่กับบาปยังไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมถ้าไม่รู้ตัวคิดนะชีสจะออกไหมก็ไม่ออกดังนั้นการนับถือพระพุทธเจ้าพราะองค์นี้ฉุดเราจากว่าฉุดจากอบายจริงๆเนี่ยนะชุดจากอบายจริงๆเพราะถ้าเรานับถือพระพุทธเจ้าจวบจนสิ้นลมหายใจเนี่ยนะเลวที่สุดก็ ม, มนุษย์อะ ถ้ากลับมาอย่างเลวที่สุดเนี่ยนะด้วยผลของการนับถือพระพุทธเจ้าก็สุขติโลกสวรรค์ถ้าบุญที่สั่งสมพระในการนับถือคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ที่เราได้เลื่อมใสในพระองค์อย่างนี้ถ้ามีบุคคลใดกล่าวธรรมวินัยของพระองค์เราก็จักเนี่ยโสดลงฟังใช่ไหมเราก็จักเนี่ยโสดลงฟังฉั้นการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเหล่านี้เราก็จะมีส่วนแห่งการหลุดพ้น ต, ตามเสด็จพระองค์ไปด้วยเนี่ย พระองค์หลุดพ้นแล้วเราก็ปรารถนาที่จะรู้ตามพระองค์ใช่ไหมหลายๆครั้งที่เวลาเราเทําบุญฟังธรรมเป็นต้นจบเราก็ตั้งความปรารถนาเพื่อตรัสรู้ตามเพราะนั้นเราก็ชื่อว่าสังสมบำบมอัธยาศัยในการพ้นทุกข์ทัานบุญตั้งมากที่ควรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะเช่นเมตตาเป็นต้นกรุณามุทิตาอุเบกขาหรือบุญส่วนอื่นๆที่เราจะต้องเจริญอีกมากซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เรา ขันราบอันนี้ถ้าเราไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าเราจะได้ไหมเราก็ไม่ได้เราก็เห็นหลายๆคนที่เขาไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าเข้าไปทําอะไรเขาก็ไปทําในสิ่งที่ไม่ควรทําไปพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดแล้วก็คิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดเนี่ยนะขันถ้าเราคิดถึงเราศึกษาเราได้นับถือพระพุทธเจ้าเราก็มาคิดถึงพระพุทธเจ้าแทนอันนั้นก็ตัดบาปอกุศลไปบานเลยขันถ้าใครที่ รู้สึกว่าใจตั้งมั่นรักในพระพุทธเจ้าก็คุณไรใช้คำอะไรนะนะอยากกอบพระเจดีย์เลยนะเรื่อสายมากเลยนะโอ้กบไม่รอบหรอกเพราะว่าประทับ ป, ประถมเจดีย์ด้วยนะ <laughs> แล้วก็คือก็สัตทินซีอ่ะนะคือคือมีความรักอ่ะนะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยก็คือไปร้องให้กลิ้งอยู่กับพระบาทของพระพุทธเจ้าเพราะมีไม่ใช่ไม่มีนะ พร ม, มายุพรามเนี่ยเขาเรียกว่าจูบท้าพระพุทธเจ้าด้วยซ้าไปเขนะาก็มีศรัทธาขนาดนั้นแล้วก็สมัยที่พระพุทธเจ้าปรินิพานเนี่ยนะก็อุบาสิกาหลายท่านก็ร้องให้เปียกเยวรพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปอันนก็ด้วยใจที่รักในพระพุทธเจ้าแต่น้ําตาเหล่านี้ไม่มีโทษเนี่ยนะ ถ, ถ้าเทียบไปแล้วไม่มีโทษเพราะนั่นเป็นปัจจัยแห่งความสุขของเขาเนี่นะ้วก็ขอให้มีสัจตินีและลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ถ้าเรารัก พรพุทธเจ้าเท่ากับรักหลายๆคนนะหรือกับรักคนที่เรารักเท่ากับเรารักพระพุทธเจ้าเท่ากับคนที่เรารักนะโอ้ชาตินี้อบายไม่ได้กินเราอยู่แล้วล่ะขอให้รักเท่านั้นเถอะนี่ยต่อไปศึกขานุตริยะเป็นอย่างไรดูการพิสูจทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมศึกษาศิลปะเกี่ยวกับช้างบ้างม้าบ้างรถบ้างธนูบ้างดาบบ้างหรือศึกษาศิลปะชั้นสูงชั้นต่ำ ย่อมศึกษาต่อสมณพราหมณ์ผู้มีความเห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดสังเกตนะทุกๆุกอย่างที่เป็นของเลวเนี่ยนะจะมีแบบเรื่องของชาวบ้านทั่วๆไปในหนึ่งกับเรื่องเกี่ยวกับมิจฉาทิฐิในหนึ่งนะนะแสดงว่าให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องมิจฉาทิฐิมากดูความพิสูจน์ทั้งหลายการศึกษานี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีดูความพิสูจน์ทั้งหลายแต่ว่าการศึกษานั้นอนะ่ะเป็นการศึกษาที่เลวเนี่ยนะ เป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคือไม่ได้เป็นไปเพื่อวิปัสนานิ้มัศผลนิ้พานอะไรดูความพิสูจนทั้งหลายส่วนบุคคลใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใส ย, ยิ่งย่อมศึกษาอธิศีบ้างอธิจิตบ้างอธิปัญญาบ้างในธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้ว ดูความพิสูจทั้งหลายการศึกษานี้ประเสริฐกว่าการศึกษาทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งศาสตร์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกกระปริเทวะเพื่อดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญายธรรมเพื่อทำท่านิพพานให้แจ้งดูความพิสูจน์ทั้งหลาย ข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมศึกษาอธิศีลบ้างอธิจิตบ้างอธิปัญญาบ้างในธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้วนี้นี้เรียกว่าศิกขานุตริยะเนี่ยนะก็ในบรรดาการศึกษาในโลกนี้ทั้งหมดทุกกระบวนการเนี่ยนะที่ศีลและสิกขาประเสริฐที่สุดอธิจิตแต่ศิขาประเสริฐที่สุดอธิปัญญาศิกขาประเสริฐที่สุด ทีนี้คําว่าศึกษาสิกษ า, าเนี่ยนะมีได้อย่างไรสิกษามีได้อย่างไรนะคําว่าสิกขานะลองคลิกไปดูหน้า547ดูนะจะเห็นถึงเกี่ยวกับเรื่องคําว่าศึกษา547เนี่ยนะนับลง1 2 3 4 5 6นับถึง6บรรทัดนะนับลงนะนับลง6บรรทัด547 กลนะางๆบรรทัดว่าพระโยคาวจรเมื่อนึกถึงศิขาสามชื่อว่าย่อมศึกษานึกถึงนะเพราะความเป็นศิขาเราฟังเรื่องศีลเป็นต้นมาแล้วใช่ไหมต้องนึกถึงจึงจะเป็นศิขาเมื่อนึกถึงเมื่อไหร่ก็เป็นศิขาเมื่อนั้นแล้วก็มาถามดูวันหนึ่งเรานึกถึงศิขากี่ครั้งคุณไม่จ้าหลายครั้งก็เ น, นี่ย น, นะก็เอาไปไม่เป็นได้กอ็อย่างน้อยวันละสองครั้งก็ยังดีเอาบ่อยๆเข้าว่า มันก็นึกถึงก็ชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้รู้ศีลรู้สมาธิรู้ปัญญาก็ชื่อว่าศึกษาเมื่อเห็นคือเห็นศีลสมาธิปัญญาก็ชื่อว่าศึกขาเมื่อพิจารณาศีลสมาธิปัญญาก็ชื่อว่าศึกขาเมื่ออธิษฐานจิตก็ชื่อว่าศึกษาอันนั้นห้าคำก่อนนะห้าคำแรกจะไม่นึกถึงรู้เห็นพิจารณาอธิษฐานจิตต่อไปก็อินทรีห้าเมื่อน้อมใจไปด้วยศรัทธา สัททินซีเนี่ยนะเมื่อประคองความเพียรคือวิริยินซีเมื่อตั้งสติคือสตินซีเมื่อตั้งจิตคือสมาทินซีเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาก็ชื่อว่าสิกขาเพราะการเจริญอินทรีห้าก็ชื่อว่าสิกขาให้เป็นไจกับอินทรีหา้าหรือว่าอภิญญยธรรมอ่ยยมะนะอิญญยธรรมอ่ะรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้ทำที่ควรกําหนดรู้ละรมที่ควรละเจริญทำที่ควรจเจริญทําให้แจ้งธทำที่ควรทําให้แจ้งชื่อว่าศึกษาทุกอย่าง เพราะลักษณะการศึกษาเป็นอย่างนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ศึกษาในอธิศีลสิกขาที่จิตสิกษาอธิปัญญาศิกษาในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้เช่นนี้เนี่ยชื่อว่าศิกษาที่อนุตริยะไม่มีการศึกษาใดจะเยี่ยมกว่านี้อีกแล้วเนี่ยนี่เป็นการศึกษาดีที่สุดเพราะผู้ที่ศึกษาอธิศีลสิกขาปิดอบายนะถ้าอธิศีลสิกขานี เพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอธิศีและสิกขาแั้นถ้าเป็นพระโสดาบันก็ปิดอบายก่อนใช่ไหมถ้าเป็นพระสกท า, าคามีหล่ะก็มนุษย์ก็กลับมาอีกแค่ครั้งเดียวถ้าเป็นพท้านาคามีไม่ต้องกลับมาสู่กามาวจรภูมิถ้าเป็นพท้ารหันอันนั้สิ้นทุกทั้งปวงเนี่ยนะจบสิ้นวัตถุทุกโดยประการทั้งปวงท่านการศึกษาอธิศีนัทิจิตอ ธ, อ ธ, อ ธ, อธิปัญญาก็คือศึกษาใน อริยมรรคมีองค์แปดนั่นเองเพราะว่าอธิศีและสิกขาก็คืออธิจิตขออภัยสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะอธิจิตสิกขาคือสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิอธิปัญญาสิกขาก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะอธิศีนอธิจิตเรียกว่าสมถะอธิปัญญาเป็นวิปัสสนาก็เจริญศีลสมาธิปัญญา หรือสมถาวิปัสสนาก็ชื่อว่าเจริญสิ่งที่ควรเจริญบุคคลที่เจริญสิ่งที่ควรเจริญเขาจะได้กําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ละสิ่งที่ควรละทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งอย่างนี้นี่แหละจะทําให้บริสุทธิ์จากราคะโทสะและโมหะก้าล่วงโซกะปริเทวะโสกะปริเทวะของผู้ไม่มีศึกษาเขาต้องเดือดร้อนปานใดผู้ที่ได้ศึกษาก็ไม่ต้องเดือดร้อนแบบนั้นอีกแล้วนะทัานผู้ที่ได้ศึกษานี้ก็ ดับทุกและโทมนัตจะได้แทงตลอดอรยิยมรรตที่สุดแห่งทุกคือบรรลุพระนิพพานได้การศึกขาเนี่ยนะถ้าอาวัชนะบ่อยๆเนี่ยนะเราจะเห็นเนนะเมื่อไหร่เราจะรักว่าอาวัชนะหนึ่งครั้งเนี่ยนะเป็นความดีเหลือเกินที่เราได้ศึกษาเนี่ยนะเราน่าจะได้ดีใจแบบนี้ยังชอบที่เรียกว่าอริยวงอริยวงคือวงของพระอริยะเนี่ยท่านมีอยู่สี่ประการอันดนะับสันโดษใน จีวรบิณฑบาตเสนาสนะสามข้อแล้วใช่ไหมข้อสุดท้ายคือยินดีในภาวนากับยินดีในการละเพราะฉะนั้นเราถ้าเรายินดีในการภาวนาจริงอ่ะนึกถึงสิกขาเราก็ต้องดีใจวันนี้นะละลึกถึงศีลข้อเว้นจากปานาติบาละลึกถึงศีลข้องดเว้นจากอธินาทานละลึกศีลที่ข้องดเว้นจากการเมสุมิจฉาจารละลึกถึงสัมมาวาจาละลึกถึงความที่เรางดเว้นจากการดื่มสุราและเมรยัย ถ้ามันระลึกได้อย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆนั่นเป็นทรัพย์ของเราเนี่ยนะก็ดีใจเถอะถ้าเราระลึกอย่างนี้อบายปิดแน่เพราะว่าศีลเนี่ยห้ามอบายเราจริงๆขอให้เรามันนึกถึงบ่อยๆถ้านึกบ่อยๆและจะรู้เองใช่ไหมถ้านึกอยู่บ่อยๆไม่รู้ให้มันรู้ไปเนี่ยนะข้าว่าไปตรงๆนะคนที่อ่านพระไตรปิฎกเนี่ยขอมานั้นน่าจะเป็นเอามากกั่เพื่อนเลยมาเช้ายังเล่าให้โยมฟังเลย บอกว่าที่อ่านก็ตไตรปดกทีแรกเลยนะทําไงวะบางเล่ม <B ank le> mm> เนี่ยยากมากมหานิเทศนะในความคิดเราคือคำภียากเย็นที่สุดยากมากคือก็ลึกซึ้งจริงๆอะนะแล้วเราก็ไม่ค่อยฉลาดด้วยอะ่ะแล้วก็เวลาจะอ่านทีนะรู้อะ่ะก็พลิกพิกดูแล้วอ้่อาอ่านไม่หมูเลยก็ทำยังไงก็ไปนั่งหลับตาซะก่อนกําหนดลมอะไรสักอย่างก็ได้อะให้มันสงบสักพักหนึ่งแล้วสมาทานว่าจะอ่านสักสามสิบหน้า ให้ตาเนี่ยไปกับหนังสือเฉยๆนะไม่ต้องรู้ว่าท่านว่าอะไรก็ไม่ต้องรู้ให้ตาเนี่ยมันเก็บทุกคําในนั้นอนะ่ะผ่านไปนะแล้วก็ทําสมาธิแล้วจะอ่านต่ออีกก็ทําอย่างนั้นอีกรอบแรกไม่ได้อะไรเลยจับอะไรไม่ได้สักเท่าไหร่นะจําได้แทบไม่กี่คําเลยนึกไม่ออกเลยว่าจําอะไรบ้างครั้งแรกที่อ่านอันนะ้ผ่านไปหนึ่งปีก็มาเอาใหม่ก็ปีสองก็ยังก็ยังดีกว่าปีเก่าเท่าน่อยนึงอน่ะนัปีสามปีสี่นี่ก็ปีสิบแล้ว ก็ยังก็ยังได้ไม่เท่าไหร่เนี่ยนะก็ยังไม่ได้เป็นที่ประทับใจอะไรเลยจะเห็นว่ า, าใช้ความเพียรค่อนข้างมากถ้าเลิกเมื่อสิบปีที่แล้วอะไรจะเกิดเนี่ยนะถ้ามันยากนะก็กดศึกษาเลยนะเสียดายถ้าทำอย่างมากเลยนะเพราะก็ดีใจโอ้ดีนะเป็นบุญของเราแล้วที่เราได้อ่านแม้ผู้การก็บอกเหมือนกันนะเป็นผมเนี่ยดีใจมากที่ได้อ่านพระไตรปิฎกถ้าไม่ได้อ่านอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะ ถามว่าในห้องเราในใครเคยอ่านแล้วท้องไส้มันปั่นป่วนบ้างเคยมีไหมข้อน ม, มาเนี่ยเป็นะนั้นก็ยังไม่ถึงอ่ะนะออามาเป็ น, มนหมดละอ่านเราโหมันจะเจียนให้ได้เลยอ่ะแต่ขนาดนั้นก็ยังต้องอ่านน่ะเพราะไม่มีไม่เชื่อทางอื่นว่ามีทางออกจริงดังนั้นอ่านไปเถอะของเราทั้งหลายถ้ายิ่งได้ฟังอย่างนี้นะไปอ่านมันค่อนข้างเบาเพราะว่าหลายๆเรื่องที่มันยากๆนะก็ก็เพราะบางอย่างก็จะชี้แจงแทรกไปในระหว่างในระหว่างแล้ว นันถ้าอ่านไปเรื่อยๆก็จะเจอพยายาชนะเราจะคุ้นซะส่วนใหญ่เลยอ่านแล้วจะเริ่มคุ้นไปอะไรก็ฝึกอ่านไปเถอะ